สํารวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผูรร้สนท am เรือเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาอันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิสะบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิสคือสิ่งของ เต็มดอกไม้ทูกเพี้ยนของหอมต่างๆนี่เรียกว่าอามิตสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสา ม, มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ า, ามำให้เหลววิสั ย, ยจริงๆแล้ว ไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขทั่วครางทั่วคราวเช่น ส, สุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในมหมออรศกทพกมันต่างๆโมนี่สำหรับผู้ฝึกผลจิตใจแล้ว มันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็มไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมรรสขขอบกบันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุง่งความสงบเป็นที่ตั้ง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 เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จกจบจากทิ้นก็เพราะความพลิดเพลินนี่แหะเป็นมูลเหตุแต่ทั้งหลายจะได้คล่องอยู่ในโลกนี้ผู้ใดชอบความส ง, งบก็พึติปฏิบัติไปเพื่อความส ง, งบทางจิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้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 พอแต่ให้มาห่วงมากอะไรเป็นทุกก็เฝ่ า, าโยูไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี่ก็ทุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี่มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนมุม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทพี่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นสามสอกออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย กระส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจทางต่างอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำมรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆมูลนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันคำว่ า, าเห็นโทษนั้นเช็นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย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 ันน่ะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆถนนุนทางก็ราบรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาลรวไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่ง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 รุดโมไปเป็นบางสิ่งืองอย่างไปก่อนขาหูไม่เสียตาเสียตา ม, มัวเยอะนี่แหละเดือถ้าหูดีตาดีเอาผมเิดงอกเยอะนี่ถ้าผมไม่งอกเอาฟันรุดฟันร่อนไปไม่ทันเท่าแก่ชราฟันหลุดไปหมดแล้วก็มี บางคนนะ่ะหรือไม่ฉะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบีย NO. นเอาในสเสวยทุกขวเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนใน่าำกลางแล้วแตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันปรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอะ่ะ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 สอนใจขงตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระระัฒนาไกลอย่างนี้ต้องหมั่นนึกถึงและก็มั่นทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณดังสามนี่มาเพนที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่หวั่นไหว ต่อสังขารอันแปรปรวนไปนั้นและจะไม่หลงเพิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุกไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปรวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปลง่งปังเอี่งนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดาลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็นสุดชมให้เราเห็นอยู่แล้วฉะนไหนล่ะจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึกว่าตนจับ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็เลี้ยไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่ากับพาะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี้อายุก็สัน้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละ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 มันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดด้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นนะบเนี้ยบาปนั้นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้า พอให้ใจนี้ไม่ชอบใช้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยแ น, น่ในใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้เก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละ ผู้ท่านรู้ทัวท่านโกวนินก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทาบาป <c oughs> มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันกา <c oughs> รเบียดเบียนกันและกัน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 บุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกำเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างนูน้นอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนําทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้เราก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทําไม่พูดเสร็จแล้วมันก็หมดเรื่องกัน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 มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละโดยไปคิดว่าไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องจะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงออกการไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหม ไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเออถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็แล้วกัน ถ้าสัตว์ทะเลฉนเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่ผิดบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างเนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เอามาเอาความเหม็อนองตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือ พระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งเทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัวบ้างนี่ไม่คิดกเพราะอาวิชชาตัณหานันะครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่ พราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบระเพ็ญของตอนเป็นไปตามทตามวินัยคําสอนของพระเถเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพ เป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงได้ว่าเป็นคนอาภัพนั้นผู้ที่เป็นภัพพระบุคคล น, นั่นเป็นผู้มีความสามารถสร้างสมบุญบุญบุญประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ แม่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลําบากเท่าใดก็ไม่ย่นยอ่อทอถอยยินดีทํามันยังควรยังค่ำเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่เพราะทําบาปลงเลมันจะเป็นทุกปัจจุบันตนดวนนั้นไปเลย มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะไปฆ่าตัดชัตชีวิตก็ตามไปฆ่าผู่ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยงั้นเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเล่นเลิกประมาทเพราะว่า